Book 2สา ม, รมทรการทำความรู้จัก ส, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สบายดีไหมคะ Як k с п р а в и คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ В Европе. คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ В Америке. คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ В а з คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะอุยักกูเฮสตินิทซ์วิสเปนิลิชคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วคะ Як давно вы уже тут? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะ Як надолго вы тут? คุณชอบที่นี่ไหมคะวัมตุดปาดะบายซ์ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะนี่คือที่อยู่ของดิฉันคะ่ะเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างลาก่อ น, นะคะ่ะบายลาก่อ น, นะคะ่นนะแล้วพบกันนะคะ